ปัญญาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าระบบการปฏิบัติทั้งหมดที่สุดแล้วก็เป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นด้วยความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์บุคคลจึงควรจะพัฒนาปัญญาสัจธรรมนั้นมีสองชนิดคือสมมุติสัจจะและปรมัทสัจจะ ปรมัทสัจจะนั้นอยู่นอกเนื้อขอบเขตแห่งการนึกคิดส่วนเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของการนึกคิดนั้นเรียกว่าสมมุติด้วยเหตุนี้บุคคลจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทเช่นกันคือผู้รู้ผู้มีปัญญายานที่สามารถพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง และปุถุชนคนธรรมดาซึ่งแนวคิดของผู้รู้จะละเอียดลึกซึ้งและแจ้งชัดตามความเป็นจริงกว่าปุถุชนเนื่องเพราะความแตกต่างกันของภูมิปัญญาดังนั้นแม้แต่ในกลุ่มผู้รู้เองแนวคิดบางอย่างก็ยังถูกปฏิเสธโดยผู้รู้ที่มีปัญญาสูงกว่า ด้วยวิธีการที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าเขาจะต้องการพิสูจน์เรื่องอะไรปุถุชนเห็นและคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจริงไม่ใช่มายาซึ่งในประเด็นเหล่านี้มีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้รู้และปุถุชนแม้ว่าวัตถุที่เรารับรู้ได้โดยตรงเช่นรูปเสียง และอื่นๆซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับว่ามีจริงโดยความเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่จากการพิสูจน์ด้วยความรู้ความเข้าใจที่แยกคายซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่นั้นผิดตัวอย่างเช่นที่มีความเห็นกันโดยทั่วไปว่าสิ่งหนึ่งบริสุทธิ์แต่หากเราพิจารณาให้แยกคาย ก็จะเห็นว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์ปะอนอยู่เพื่อจะทำให้บุคคลเข้าใจชัดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการแห่งหน้าที่สมมุติซึ่งตามธรรมชาติที่แท้จริงแล้วปรมัติตมันไม่ได้มีอยู่แม้ชั่วขณะหนึ่งฝ่ายโต้แย้ง หากโดยปรมัาสัพพสิ่งมีได้มีอยู่แม้ขณะหนึ่งแต่เป็นเพียงสมมุติมันจะไม่ขัดแย้งกันหรือมัธยามิกะมันมิได้มีข้อผิดพลาดในเรื่องสมมุติของผู้รู้ท่านต่างจากปุถุชนตรงที่ท่านจะมองเห็นความเป็นจริงดังเช่นการพิจารณาพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้หญิงร่างกายนั้นเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดไม่ใช่สิ่งสวยงามอย่างที่ปุถุชนคิดฝ่ายโต้แย้งการทำบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์จะมีบุญได้อย่างไรหากพระองค์เป็นเพียงมายาซึ่งไม่เหมือนกับในกรณีที่ถ้าพระองค์มีอยู่จริงและหากว่าสัพพสัตเป็นเพียงมายา แล้วทำไมพวกเขาต้องกลับมาเกิดอีกหลังจากตายไปแล้วมัทยามิกะแม้มายาเองก็ดำรงอยู่ตราบเท่าที่เหตุปัจจัยมันยังประกอบกันทำไมสรรพสัตว์จะมีอยู่จริงแท้เพียงเพราะว่ามันดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือตอบข้อโต้แยง้ง ของพวกโยคาจาระโยคาจาระเป็นมหายาณพวกจิตนิยมหรือเรียกอีกชื่อว่าจิตมาตระซึ่งแปลว่าเพียงจิตหนึ่งเท่านั้นหรือเพียงจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจากจิตอย่างเดียวกระบวนการรับรู้ของจิตนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่มีจริงอย่างเดียวแต่วัตถุภายนอกทั้งมวลมีหรือไม่มีไม่อาจยืนยันและเพื่อการรู้แจ้งในความเป็นจริงของจิตนี้พวกเขาจะเน้นลงที่การอย่างรู้เข้ามาในตนเองอันเป็นในของจิตที่ไม่ลวงหลอกที่สามารถรู้ในการสำนึกรู้ของจิตเองเท่านั้น โยคาจารินหากจิตเองมันก็มิได้มีอยู่จริงดังนั้นมันก็ย่อมไม่มีบาปแม้จะฆ่าคนซึ่งก็เป็นมายามัทยามิกะตรงกันข้ามเพราะการหลงยึดอยู่ในมายาของจิตบุญและบาปจึงเกิดขึ้นโยคาจารินที่ว่าจิต เป็นมายาย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะหากเป็นเช่นนั้นมนตราทั้งหลายและอื่นๆคงไม่ได้เกิดขึ้นมัทยามิกะมายาอหลากล้ายย่อมเกิดจากเหตุปัจจัยอลากล้ายไม่มีที่ใดที่เหตุปัจจัยเดียวจะสามารถทำให้เกิดทุกๆสิ่งได้โยคาจาริน หากบุคคลสามารถหลุดพ้นได้โดยประมาติแต่ยังเวียนเกิดอีกโดยสมมุติดังนั้นแม้พระพุทธองค์ก็ยังคงต้องเวียนเกิดอีกแล้วอะไรคือเป้าหมายของวิธีแห่งโพธิสัตว์เล่ามัทยามิกะเมื่อเหตุปัจจัยไม่ได้ถูกทำลายลงความเป็นมายาก็ยังไม่สิ้นสุด หากเหตุปัจจัยไม่อาจสืบเนื่องมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแม้แต่สมมุติโยคาจารินในเมื่อการรับรู้ที่ผิดพลาดก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอะไรจะรับรู้เข้าใจความเป็นมายามัทยามิกะหากสำหรับเธอมายาเองก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอะไร ที่ถูกสงสัยอยู่แม้เธอจะว่ามันจะเป็นผลของตัวจิตเองแต่ในความจริงมันมีอยู่รากับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างโยคาจารินหากจิตเองก็เป็นมายาแล้วอะไรที่ถูกรับรู้โดยอะไรมัทยามิกะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า จิตมิสามารถรับรู้จิตได้เช่นเดียวกับดาบย่อมตัดตัวมันเองไม่ได้จิตก็เช่นกันโยคาจารินมันส่องสว่างตัวมันเองเช่นเดียวกับโคมไฟมัทยามิกะโคมไฟมิได้ส่องสว่างตัวมันเองเพราะมันมิได้ถูกความมืดปกคลุม โยคาจารินวัตถุสีฟ้ามีได้ต้องการสิ่งใดช่วยทำให้มันเป็นสีฟ้าเหมือนกับพวกแก้วผลึกบางสิ่งอาจเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นแต่บางสิ่งอาจไม่มัธยามิกะในกรณีสิ่งที่ไม่ใช่สีฟ้ามันก็มีสามารถทำให้ตัวมันเองเป็นสีฟ้าได้ อะไรที่เป็นสีฟ้าอยู่แล้วที่มันทำให้ตัวมันเองเป็นสีฟ้าได้อีกโยคาจารินกล่าวว่าการที่โคมไฟสว่างขึ้นยอมถูกรับรู้โดยจิตแล้วที่กล่าวว่าจิตนั้นสว่างมันถูกรับรู้ด้วยอะไรมัทยามิกะหากไม่มีใครรับรู้ ไม่ว่าจิตจะสว่างหรือไม่ก็ตามมันก็ไม่มีประเด็นที่จะพิจารณามันเช่นเดียวกับลูกสาวของหญิงที่เป็นหมันโยคาจารินหากความตระหนักรู้ตนเองไม่มีอยู่แล้วจิตมันระลึกได้อย่างไรมัทยามิกะการระลึกได้เกิดจาก ความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันได้ประสบมาโยคาจาริน ม, มันสามารถรู้ตัวมันเองได้ก็เพราะจิตมันประกอบด้วยปัจจัยอื่นที่สามารถรับรู้ได้มัธยามิกะเหยือกที่มองเห็นด้วยการใช้น้ำมันวิเศษทาตามันย่อมไม่ใช้น้ำมันนั้นวิธีการที่บางสิ่งถูกเห็น ได้ยินหรือรับรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราปฏิเสธแต่ความคิดที่ว่ามันมีอยู่อย่างจริงแท้ซึ่งมันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธหากเธอจินตนาการเอาเองว่ามายานั้นไม่ใช่ทั้งแตกต่างจากจิตและไม่ใช่ทั้งไม่แตกต่างจากจิต แล้วหากมันมีสิ่งที่มีอยู่จริงมันจะไม่แตกต่างกันได้อย่างไรและหากมันไม่แตกต่างกันดังนั้นมันก็ต้องมีได้มีอยู่จริงมายาถูกเห็นได้ทั้งทั้งที่มันมิได้มีอยู่จริงผู้สังเกตคือจิตก็เป็นเช่นเดียวกันโยคาจารินสังสารวัตนั้น มีพื้นฐานบนความจริงหรือมิฉะนั้นมันก็จะเป็นความว่างเช่นอวกาศมัธยามิกะสิ่งที่มิได้มีอยู่จะมีความสามารถที่จะอยู่บนพื้นฐานของบางสิ่งที่จริงได้อย่างไรเธอคิดราวกับว่าจิตนั้นคือสิ่งหนึ่งที่แยกต่างออกจากสิ่งอื่นหากจิตนั้น อิสระจากทุกสิ่งเช่นนั้นแล้วสรพสัตก็จะกลายเป็นพุทธะดังนั้นมันจะดีอะไรจากการที่คิดว่ามีเพียงจิตเท่านั้นที่มีอยู่โยคาจารินแม้เมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นเพียงมายาแล้วกิเลสจะหมดไปหรือเพราะว่าแม้ผู้วิเศษ ที่เสกผู้หญิงอันเป็นมายาภาพขึ้นมาก็ยังเกิดความปรารถนาในตัวเธอได้มัทยามิกะเพราะว่ากิเลสตัณหาต่อภาพวัตถุที่ฝังใจผู้ที่เสกเธอขึ้นนั้นยังมิได้ถูกกาจัดไปดังนั้นเมื่อเห็นเธอความคิดที่ว่าเธอเป็นเพียงมายาภาพอันว่างเปล่าจากตัวตนนั้น จึงอ่อนกำลังดยการสร้างสัมมาทิฏฐิใหม่ในเรื่องความว่างเข้าไปแทนที่มิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ในเรื่องความมีอยู่จริงก็จะจืดจางลงและเมื่อเธอเคยชินกับความจริงเช่นนี้อยู่เรื่อยๆในที่สุดแม้สัมมาทิฏฐิเองก็จะจืดจางไปเช่นกันโยคาจารินหากเข้าใจว่า ปรากฏการนั้นมิได้มีอยู่จริงมันก็ย่อมไม่สามารถจะถูกรับรู้ได้แล้วสิ่งที่มิได้มีอยู่จริงที่ปราศจากพื้นฐานใดๆเลยจะสามารถปรากฏต่อจิตได้อย่างไรมัทธยามิกะเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่มิได้มีอยู่สุญญาตา คงเหลืออยู่ต่อหน้าจิตดังนั้นเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้อื่นอื่นอีกไม่มีสิ่งใดนอกจากนี้อีกแล้วจิตที่แจ้งชัดเช่นนี้มันจึงสงบเช่นเดียวกับแก้วสารพัดนึกหรือต้นกลปพลพฤกษวิเศษที่สามารถสนองความต้องการผู้คนได้ชั้นใดภาพลักษณ์ของพระองค์ก็สามารถปรากฏให้เห็น เนื่องเพราะพระปณิธานและบุญบา ร, รมีของท่านและเหล่าพระสาวกที่ได้บำเพ็ญไว้พรามสันคูผู้ชำนาญการแก้พิษได้ตายไปหลังจากที่ได้เสกเสาหลักศักดิ์สิทธิ์ไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วเสาหลักนั้นก็สามารถถอนพิษหรืออื่นๆแบบเดียวกันให้แก่ผู้คนได้ แม้ว่าเขาจะตายไปนานแล้วก็ตามเช่นเดียวกันเสาหลักของพระพุทธองค์คือบุญบารมีที่ท่านได้สร้างสมไว้ยามเมื่อท่านดำรงอยู่ในวิถีทางของโพธิสัตย์ย่อมสามารถทำงานทั้งหลายในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นได้สำเร็จต่อไปแม้ว่าท่านจะเข้าสู่นิพพานก็ตาม หินนยานแล้วการสักการะบูชาต่อสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกจะให้ผลได้อย่างไรมัธยามิกะได้เพราะมันไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือเข้านิพพานแล้วจากคาพีผลแห่งการสักการะบูชาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งในสมมุติและประมัติ มันย่อมให้ผลเช่นเดียวกันกับเราแสดงการเคารพบูชาพระพุทธองค์จริงหินนัยานความหลุดพ้นย่อมเกิดจากที่เราแจ้งชัดในอริยสัจแล้วอะไรจะเป็นเป้าหมายของการแจ้งชัดในสุญญาตามัทยามิกะในคำพีของมหายานได้กล่าวไว้ชัดว่า มันจะไม่มีทางตรัสรู้ได้หากไม่แจ้งชัดในทางทางนี้สุญญาตาหินนยานคำพีของมหายานไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของแท้มัทยามิกะแล้วคำภีของท่านพิสูจน์ว่าแท้ได้อย่างไรหินยานเพราะว่ามันได้ถูกพิสูจน์แล้ว โดยทั้งสองนิกายมัทธยามิกะนั่นก็แสดงว่าไม่ได้รับการพิสูจน์โดยนิกายท่านเองตั้งแต่ต้นขอให้ท่านจงมีความเคารพและศรัทธาต่อคำภีมหายานเช่นเดียวกับของท่านเถิดหากจะว่าสิ่งหนึ่งจริงเพราะได้รับการยอมรับว่าจริงจากทั้งสองนิกายแล้ว คำพีประเวทและอื่นๆก็คงต้องจริงด้วยฝ่ายโต้แยง้งคำพีของมหายานนั้นยังมีข้อโต้แย้งอยู่มัธยมิกะเช่นนั้นเธอก็ต้องปฏิเสธคำพีของเธอด้วยเพราะมันก็ยังมีข้อโต้แยง้งจากหลายกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างและบางส่วนของมันก็มีการโต้แย้ง ทั้งจากคนในนิกายของเธอเองฝ่ายโต้แย้งคำสอนของเรานั้นล้วนมีรากฐานมาจากคณะสงฆ์มัธยมิกะแต่คณะสงฆ์เองก็ยังไม่มั่นคงสำหรับผู้ที่ยังมีจิตใจหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่แม้เพียงเล็กน้อยแม้ถึงนิพพานแล้วก็มีอาจมั่นคงฝ่ายโต้แย้ง การหลุดพ้นนั้นเนื่องด้วยการกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นดังนั้นมันควรจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อกิเลสหมดไปมัธยามิกะแม้กิเลสจะหมดไปแต่ด้วยอำนาจของกรรมที่ได้เคยกระทำไว้ย่อมยังมีผลต่อตัวบุคคล น, นั้นซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่ในคำพีฝ่ายโต้แยง้ง ตราบใดที่ไม่มีตัณหามันย่อมไม่มีการยึดติดที่จะกลับมาเกิดอีกมัทยามิกะทำไมจะไม่มีตัณหาในขณะที่มันยังมีความหลงอันละเอียดอยู่แม้ว่าจะไม่มีกิเลสแล้วก็ตามเหตุของตัณหาคือเวทนาและท่านก็ยังมีเวทนาแน่นอน เมื่อจิตยังมีเป้าหมายอยู่มันย่อมไปเกาะที่ใดที่หนึ่งหากไม่แจ้งชัดในสุญญาตาจิตย่อมยังมีที่เกาะอยู่และแน่นอนก็ย่อมเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกับผู้ที่ติดในอรูปฌานดังนั้นเราจึงควรต้องภาวนาให้แจ้งชัดในสุญญาตาหากเธอยอมรับว่า คำกล่าวในพระสูตรเป็นคำตรัสของพระพุทธองค์แล้วเช่นนั้นทำไมเธอไม่ให้ความเคารพในมหายานเพราะคำสอนส่วนใหญ่ก็เหมือนกับในพระสูตรหากทั้งหมดผิดเพราะส่วนหนึ่งในนั้นมันไม่เป็นที่ยอมรับแล้วทำไมไม่คิดว่าในส่วนทั้งหมดนั้นสอนโดยพระพุทธองค์ เพราะมีส่วนหนึ่งในนั้นเหมือนกับในพระสูตรเธอไม่ยอมรับคำสอนที่ลุ่มลึกจนไม่สามารถเข้าใจได้โดยผู้นำอย่างเช่นพระมหากัสปะเพียงเพราะเธอไม่สามารถจะเข้าใจมันได้อย่างนั้นหรือการดำรงอยู่ในสังสารวัตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์อันเนื่องมาจากความหลง จะทำได้ก็ต้องมีความอิสระจากการยึดติดและความกลัวทั้งหลายซึ่งนี่ก็คือผลแห่งสุญญาตาดังนั้นจึงไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆอีกเกี่ยวกับความจำเป็นในเรื่องสุญญาตาบุคคลจึงควรภาวนาในเรื่องสุญญาตาให้มากโดยไม่ลังเลเพราะสุญญ า, านั้น เป็นยาแก้ความมืดในการรับรู้อันเกิดจากความเศร้าหมองและสิ่งมัวหมองทั้งหลายแล้วผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้จะไม่ภาวนาเรื่องนี้ได้อย่างไรปล่อยให้ความกลัวเกิดขึ้นซึ่งมันจะทำให้เกิดความทุกข์สุญญตาจะทำให้ความทุกข์สงบลงแล้วจะกลัวเมื่อมันเกิดขึ้นทําไม หากมันมีสิ่งที่เรียกว่าฉันความกลัวก็จะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้หากมันไม่มีฉันความกลัวของใครจะอยู่ที่นั่นผมขนเล็บฟันย่อมไม่ใช่ฉันและฉันก็ไม่ใช่กระดูเลือดน้ำมูกน้ำหนองหรือน้ำเหลือง น้ำมันตามตัวก็ไม่ใช่ฉันรวมทั้งเหงื่อไขมันหรือลำไส้ช่องในลำไส้ก็ไม่ใช่ฉันรวมทั้งอุจจาระและปัสสาวะเนื้อก็ไม่ใช่ฉันรวมทั้งเอนความร้อนหรือลมทวารทั้งหลายก็ไม่ใช่ฉันรวมทั้งวิญญาณทั้งหกก็ไม่ใช่ ตอบข้อโต้แย้งกับพวกสังขยะพวกสังขยะเป็นนิกายนอกพุทธศาสนาสมัยนั้นที่เชื่อว่าปรากฏการ์ทั้งปวงยกเว้นอัตมันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและถูกสร้างขึ้นโดยปรกิตทธาตุมูลฐานที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปเมื่อตัวตนมากระทบกับสารนี้ จึงแสดงปรากฏการต่างๆออกมาเช่นปัญญาประสาทสัมผัสและอื่นๆอีกมากมายส่วนตัวตนนั้นเป็นแกนรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งผูกพันกับโลกหากการรับรู้เสียงคือฉันเช่นนั้นเสียงก็ควรจะถูกเข้าใจอยู่ตลอดเวลา แต่หากปราศจากวัตถุแห่งการได้ยินแล้วมันจะได้ยินอะไรที่มันจะเรียกว่าเป็นการได้ยินหากสิ่งที่ไม่สามารถตระหนักรู้รับรู้ได้ท่อนไม้ก็ต้องรับรู้ได้ดังนั้นมันเป็นสิ่งแน่นอนว่ามันย่อมไม่มีการรับรู้หากปราศจากวัตถุแห่งการรับรู้นั้น ทำไมสิ่งที่สามารถรับรู้รูปจึงไม่สามารถได้ยินมันได้ด้วยสังขยาเพราะมันปราศจากเสียงมันจึงไม่สามารถได้ยินมันได้มัทยามิกะแล้วสิ่งที่มีธรรมชาติที่จะรับรู้เข้าใจเพียงเสียงจะรับรู้เข้าใจรูปได้อย่างไรคนคนหนึ่ง อาจสมมติเป็นทั้งพ่อและลูกได้แต่นั่นไม่ใช่ในกรณีของปรมัตแสงขยะนักแสดงนั้นยังคงเป็นตัวเขาแต่ที่เห็นนั้นเป็นเพียงบทบาทอื่นมัทยมิกะเช่นนั้นมันก็ย่อมไม่คงที่แต่หากเธอกล่าวว่ามันยังคงเป็นตัวเขาแต่ธรรมชาติของเขานั้น อยู่ในอีกบทบาทหนึ่งเช่นนั้นแล้วความเป็นเอกภาพของเขาก็คือสิ่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแสงขยะแต่บทบาทอันหลากหลายนั้นมิใช่สิ่งจริงมัทยามิกะถ้าเช่นนั้นก็ช่วยอธิบายธรรมชาติที่แท้จริงนั้นแสงขยะมันคือจิตที่รับรู้ มัธยมิกะถ้าเช่นนั้นมันก็ไร้าสาระเพราะมันจะกลายเป็นว่าคนทุกคนคือสิ่งเดียวกันเพราะพวกเขาต่างมีจิตที่รับรู้เช่นเดียวกันสิ่งที่มีเจตนาและสิ่งที่ไม่มีเจตนาทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าความมีจิตรับรู้อยู่ของพวกเขานั้นเหมือนกัน แต่ถ้าจะว่าแตกต่างนั้นผิดแล้วอะไรที่จะเป็นพื้นฐานของการเหมือนกันโต้แย้งความเชื่อเรื่องตัวตนอันถาวรของนิกายในยายิกะนิกายในยายิกะยอมรับความเที่ยงแท้ถาวรความไม่แยกส่วนและปรากฏการทางวัตถุทั้งหลายในบุคคลคือตัวตน ซึ่งตัวตนนี้จะสามารถมีประสบการณ์กับวัตถุแห่งอารมณ์ต่างๆเพราะว่ามันอยู่ร่วมกับจิตที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากสิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้ย่อมไม่ใช่ฉันเพราะมันไม่มีความรู้สึกเชกเช่นผ้าและอื่นๆและหากมันรู้สึกได้เพราะว่ามันมีความรู้สึก มันก็จะเป็นว่ายาเมื่อมันหยุดรู้สิ่งต่างๆมันก็ย่อมสลายไปหากตัวตนไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วความรู้สึกจะมีประโยชน์อะไรและถ้าเช่นนั้นจะไม่กลายเป็นว่าที่ว่างที่มิได้มีความรู้สึกและกิจกรรมใดๆก็มีตัวตนหรอกหรือฝ่ายโต้แยง้ง หากปราศจากตัวตนความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลของมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะหากผู้กระทํานั้นสลายไปใครจะรับผลมัธยมิกะเมื่อเราต่างเห็นด้วยว่าการกระทําและผลของมันมีรากฐานที่แตกต่างกันและความเห็นว่าตัวตน ก็มีได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดังนั้นมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโต้แย้งกันในประเด็นนี้สิ่งที่เป็นเหตุย่อมไม่ปรากฏให้เห็นอยู่ในสิ่งที่เป็นผลนี่ชี้ว่าความมีอยู่ของผู้กระทำและผู้รับผลของการกระทำนั้นเป็นเพราะเอกภาพของความรู้สึกที่สืบเนื่อง ซึ่งก็จะกลายเป็นตัวตนที่ถาวรซึ่งไม่จริงในระดับปรมาจิตในอดีตและจิตในอนาคตย่อมไม่ใช่ฉันเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงและหากจิตปัจจุบันคือฉันเช่นนั้นเมื่อปัจจุบันมันสลายไปฉันก็ย่อมไม่มีอยู่อีก เช่นเดียวกับลำต้นของต้นกล้วยมันไม่มีอะไรเลยเมื่อลอกกาบออกทีละชั้นชั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงเมื่อวิเคราะห์ไปทีละชั้นฝ่ายโต้แยง้งหากสรรพสัตว์ไม่ได้มีอยู่แล้วจะมีเมตตากรุณาเพื่อใครมัธยามิกะเพื่อผู้ที่ยังมีการปรุงแต่ง ด้วยความหลงอยู่ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลของความเมตตากรุณานี้ฝ่ายโต้แย้งหากมันไม่มีสรพสัดแล้วหน้าที่นี้เป็นของใครกันมัทยามิกะถูกความพยายามในการกระทำหน้าที่นี้อยู่ก็ยังเนื่องอยู่กับความหลงแต่ยังไรก็ตาม เพื่อที่จะขจัดความทุกข์ยากทั้งปวงความหลงที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่นี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยมันความหลงยึดติดในความเป็นฉันซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นจะเพิ่มขึ้นเพราะความหลงในเรื่องตัวตนหากนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในการทำหน้าที่นี้ ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้การภาวนาในเรื่องความไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้มากนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและดีที่สุดร่างกายไม่ใช่เท้าส้นเท้าหรือน่องรวมทั้งไม่ใช่ลำตัวสะโพกหลังอกหรือแขนมันก็ไม่ใช่มือไม่ใช่ฝ่าเท้า หรือรักแร้รวมทั้งไม่ใช่หัวไหล่คอหรือศีรษะแล้วตรงไหนหละ่ะคือร่างกายหากร่างกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและส่วนของมันต่างแยกอยู่ในอวัยวะเหล่านี้แล้วจริงๆตัวมันเองจะอยู่ตรงไหนและหากร่างกายทั้งหมดมันอยู่ที่มือหรือแขน มันก็ย่อมมีร่างกายเท่ากับจํานวนมือและจํานวนแขนร่างกายต่างไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอกแล้วร่างกายจะเป็นมือหรือแขนขาได้อย่างไรมันไม่ได้แยกขาดออกจากมือหรืออื่นๆแล้วเช่นนั้นเราจะหามันได้อย่างไรดังนั้นร่างกายจึงไม่ได้มีอยู่จริง แต่ที่จิตคิดว่าร่างกายคือมือและอื่นๆนั้นก็เพราะมีความหลงเช่นเดียวกับที่หลงคิดว่าหุ่นไล่กาคือคนเพราะมันมีลักษณะโครงร่างที่คล้ายกันตราบใดที่ยังมีการประกอบกันของเหตุปัจจัยซึ่งรวมความหลงด้วยหุ่นไล่กานั้นก็ปรากฏเป็นคนเช่นกัน ตราบใดที่ยังคงมีมือแขนและอื่นๆประกอบกันรวมทั้งความหลงมันก็ยังคงปรากฏเป็นร่างกายต่อไปในทำนองเดียวกันเพราะว่ามันประกอบด้วยนิ้วเท้าหลายนิ้วแล้วนิ้วไหนละ่ะคือเท้าตัวนิ้วเองก็เช่นกันมันก็ประกอบด้วยข้อหลายข้อแล้วกรณีข้อ ก็เช่นเดียวกันอีกเพราะมันต่างสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยที่มาประกอบกันได้ทั้งสิ้นแม้แต่ละส่วนย่อยก็ยังสามารถแบ่งเป็นอนูและอนูเองก็สามารถแบ่งออกตามทิศมูลฐานซึ่งแต่ละส่วนในทิศมูลฐานนั้นก็คือความว่างเพราะมันไม่มีส่วนใดอีกดังนั้น อนูก็ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วอะไรจะเป็นเหตุให้ที่ผู้ฉลาดแยกแยะได้ยึดติดในรูปซึ่งเป็นดั่งความฝันเนื่องเพราะร่างกายนั้นไม่ได้มีอยู่จริงแล้วใครจะเป็นผู้หญิงใครจะเป็นผู้ชายหากความทุกข์มีอยู่จริงในธรรมชาติ ทำไมมันถึงไม่สามารถเบียดบังประสบการณ์ที่พึงพอใจได้เช่นเดียวกับความสุขเช่นอาหารอร่อยและอื่นๆทํานองนี้ทำไมมันไม่สามารถทำให้คนที่จมอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจพึงพอใจได้ฝ่ายโต้แยง้งมันไม่รู้สึกเช่นนั้นเพราะอารมณ์ที่แรงกว่ามัน กลบเกลื่อนอยู่มัทยามิกะแล้วสิ่งที่มีได้มีธรรมชาติที่เป็นเรื่องของความรู้สึกเช่นอาหารและอื่นๆจะสามารถเป็นความรู้สึกได้อย่างไรฝ่ายโต้แย้งแน่นอนมันมีความทุกข์ในระดับที่ละเอียดอยู่ในขณะที่ความทุกข์ที่หยาบถูกแทนที่จากอารมณ์ที่รุนแรง มัธยามิกะหากมันเป็นเพียงอารมณ์พึงพอใจอีกอันที่แทนที่แล้วเช่นนั้นสภาวะที่ละเอียดนั้นก็ต้องคือความพึงพอใจในระดับละเอียดเพราะจะมีทั้งอารมณ์ทุกข์และสุขอยู่พร้อมกันได้อย่างไรฝ่ายโต้แยง้งความทุกข์ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัใจจัยในสิ่งตรงข้าม ปัจจัยของความสุขเกิดขึ้นมัธยมิกะถ้าเช่นนั้นมันจะไม่เป็นว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดนั้นเป็นความเห็นผิดซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งหรอกรือการวิเคราะห์นี้สร้างขึ้นให้เป็นยากแก้ความเห็นที่ผิดความสงบของจิตที่เกิดจากการคิดพิจารณาอย่างแยบคายนั้น เป็นอาหารอย่างดีสำหรับผู้รู้ผู้มีปัญญายาณหากมันมีช่องว่างระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วมันจะสัมผัสกันได้อย่างไรและหากมันไม่มีช่องว่างระหว่างกันมันย่อมเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเช่นนั้นแล้วอะไรจะสัมผัสกับอะไรอนูหนึ่ง ย่อมไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปในอีกอนูหนึ่งได้เพราะมันไม่มีช่องว่างให้อยู่และมันมีขนาดเดียวกันเมื่อมันไม่มีการสอดแทรกมันก็ย่อมไม่มีการผสมปนกันเมื่อมันไม่มีการผสมปนกันมันก็ย่อมไม่มีการสัมผัสยิ่งกว่านั้นสำหรับสิ่งที่ไม่ได้มีการแยกเป็นส่วนประกอบย่อย มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการพบกันหรือการประชุมกันได้อย่างไรหากการประชุมกันโดยไม่มีส่วนประกอบย่อยเกิดขึ้นได้จริงช่วยการุณาแสดงให้ดูด้วยมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ความรู้สึกทางอายตนะทั้งหลายซึ่งมิใช่เป็นวัตถุจะเกิดการสัมผัสหรือ เกิดการประชุมกันกับสิ่งอื่นเพราะมันไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงตามที่พิจารณามาเบื้องต้นเมื่อมันไม่อาจมีการสัมผัสได้จริงอารมณ์ความรู้สึกเวทนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเช่นนั้นอะไรคือเหตุผลที่ต้องทุ่มเทกำลังให้กับมันมากมาย ใครจะถูกอะไรทำร้ายหากมันไม่มีใครที่จะเสวยเวทนาแล้วเวทนาก็ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วเมื่อเข้าใจเรื่องนี้แจ้งชัดเจ้าตันหาเออยทำไมความหวังของเจ้ายังไม่แตกสลายหรือจิตที่มีธรรมชาติเหมือนความฝันหรือมายานั้นเป็นผู้เห็นผู้สัมผัส ผู้รับรู้เนื่องเพราะความรู้สึกเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยพร้อมกับจิตมันจึงไม่ถูกรับรู้โดยจิตสิ่งที่เกิดตามหลังจะจดจําสิ่งที่เกิดก่อนแต่ก็ไม่อาจประสบรับรู้ได้โดยตรงและมันก็ไม่สามารถประสบรับรู้ตัวมันเองได้หรือ ถูกประสบรับรู้โดยผู้อื่นไม่มีใครที่จะประสบรับรู้ความรู้สึกเวทนาได้จริงเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงมันจึงไม่มีเวทนาดังนั้นในก้อนอันไม่มีตัวตนนี้ใครจะถูกมันทำร้ายได้จิตมีได้อยู่ที่อายตนะทั้งหกหรืออยู่ในรูปเสียง กลิ่นและอื่นๆและก็ไม่ได้อยู่ในระหว่างจิตก็มิได้พบอยู่ข้างในหรือข้างนอกหรือในที่อื่นๆสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายหรือในที่อื่นๆมิได้ผสมปนหรือแยกต่างหากจากใครก็คือสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ดังนั้นสรรพสัตว์ล้วนหลุดพ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ หากการรับรู้เข้าใจเกิดก่อนวัตถุที่มันรับรู้แล้วมันจะเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับอะไรหากการรับรู้เข้าใจเกิดพร้อมๆกับวัตถุที่มันรับรู้แล้วมันจะเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับอะไรหากมันเกิดขึ้นหลังวัตถุที่มันรับรู้แล้วมันจะเกิดมาจากอะไร ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีปรากฏการณ์ใดที่จะปรากฏได้จริงฝ่ายโต้แย้งหากว่าสมมุติสัจจะมีได้มีอยู่จริงแล้วมันจะมีสัจจะทั้งสองได้อย่างไรหากมันมีอยู่โดยต้องอาศัยสมมติสัจจะอื่นแล้วมันจะมีผู้หลุดพ้นได้อย่างไรมัธยมิกะ เราเป็นเพียงความคิดของจิตผู้อื่นซึ่งเราไม่ได้มีอยู่โดยสมมุติสัจจะของตัวเองเมื่อบางสิ่งได้ถูกยืนยันชัดมันก็มีอยู่หากไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่เช่นเดียวกันกับความจริงของสมมุติด้วยทั้งความคิดและความเข้าใจเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน เช่นเดียวกับทุกๆ ก, การวิเคราะห์ย่อมแสดงโดยอ้างถึงสิ่งที่รู้รู้กันอยู่โดยทั่วไปฝ่ายโต้แย้งแต่หากเราวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ตัวเองก็ถูกวิเคราะห์เช่นนั้นมันก็จะมีการย้อนหลังไปไม่สิ้นสุดเพราะว่าการวิเคราะห์ก็จะถูกวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันมัทธยมิกะ เมื่อวัตถุในการวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์จึงไม่มีพื้นฐานอะไรเหลือให้วิเคราะห์อีกเมื่อมันไม่มีพื้นฐานเหลือมันจึงไม่เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือนิพพานสำหรับบุคคลที่เชื่อว่าทั้งสองสิ่งนี้วัตถุที่ถูกรู้และสิ่งที่ไปรู้มีอยู่จริงพวก เรียลลิสติเขาก็จะอยู่ในฐานะที่วันไหวมากหากวัตถุมีอยู่เพราะอํานาจของการรับรู้เข้าใจแล้วเราจะเข้าถึงความมีอยู่จริงของการรับรู้เข้าใจได้อย่างไรและหากการรับรู้เข้าใจมีอยู่เพราะอํานาจของวัตถุแล้วเรา จะเข้าถึงความมีอยู่จริงของวัตถุได้อย่างไรและหากการมีอยู่ของทั้งสองต้องอาศัยอำนาจของกันและกันทั้งสองต่างก็จะไม่ได้มีอยู่จริงฝ่ายโต้แย้งหากไม่มีลูกบุคคลก็ไม่อาจเป็นพ่อแล้วความเป็นลูกจะเกิดมาจากใครมัธยมิกะ หากปราศจากลูกมันก็ไม่มีพอ่อความเป็นทั้งสองต่างขึ้นอยู่ต่อกันและกันดังนั้นทั้งสองจึงไม่ได้มีอยู่จริงฝ่ายโต้แยง้งต้นกล้าย่อมเกิดจากเมล็ดความมีอยู่จริงของเมล็ดถูกแสดงโดยต้นกล้าแล้วทำไมการรับรู้เข้าใจที่เกิดขึ้น โดยวัตถุที่ถูกรู้นั้นจะไม่ยืนยันความมีอยู่จริงของวัตถุที่ถูกรับรู้นั้นมัธยามิกะมันเป็นการยืนยันว่ามเมล็ดมีอยู่เนื่องเพราะการรับรู้เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกับต้นกล้าแล้วความมีอยู่จริงของการรับรู้เข้าใจจะถูกรับรู้ได้อย่างไร เนื่องเพราะวัตถุแห่งการรับรู้นั้นได้ถูกยืนยันโดยการรับรู้เองลัทธิจาราวากเชื่อว่าสรรพสิ่งเกิดโดยปราศจากเหตุมันเกิดโดยธรรมชาติของมันเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมัธยมิกะคนเราสามารถจะสังเกตสาเหตุทั้งหลายด้วยการรับรู้โดยตรง เนื่องเพราะองค์ประกอบต่างๆของดอกบัวเช่นกา้านและอื่นๆก็ล้วนเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอันหลากหลายฝ่ายโต้แยง้งแล้วอะไรทําให้เกิดความหลากหลายของสาเหตุมัธยมิกะความหลากหลายของเหตุก่อนหน้านี้ฝ่ายโต้แยง้งแล้วเหตุ สามารถทำให้เกิดผลได้อย่างไรมัทยามิกะเพราะอำนาจของเหตุก่อนหน้านี้หากเธอเชื่อว่าผลมีอยู่ในส่วนที่เป็นเหตุเช่นนั้นผู้ที่กินอาหารก็คือผู้ที่กำลังกินอุจจระและเมล็ดต้นฝ้ายก็จะต้องซื้อในราคาของผ้าฝ้ายและใส่ได้เหมือนเสื้อผ้า หากเธอโต้แย้งว่าปุ่ทุชนไม่เห็นสิ่งนี้เพราะว่าความหลงนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันแม้กับผู้ที่รู้ความจริงอยู่แม้ว่าปุ่ทุชนจะรู้จักมันแต่ทําไมเขาไม่สามารถเห็นมันหากเธอแย้งว่าปู่ทุชนนั้นไม่มีการรับรู้เข้าใจที่แยบคายเช่นนั้น แม้ว่าการรับรู้ในบางสิ่งที่ชัดแจ้งก็อาจผิดพลาดได้สังขยะหากการรับรู้ที่แยบคายไม่ใช่การรับรู้ที่แยบคายถ้าเช่นนั้นมันจะไม่เป็นการแยกแยะที่ผิดพลาดหรือในความเป็นจริงความว่างของปรากฏการณ์ก็ไม่ได้ถูกพิสูตรยืนยัน โดยใช้การรับรู้ที่แยบคายมัทยมิกะหากไม่สามารถบ่งชี้สิ่งที่เป็นจิตนาการได้ก็ไม่สามารถจะแจ้งชัดในความไม่มีอยู่ของมันได้จริงดังนั้นหากสิ่งหนึ่งมีความผิดพลาดความไม่มีอยู่ของมันก็จะผิดพลาดไปด้วยเมื่อฝันว่าบุตรของตนได้ตายไป ความคิดว่าเขาไม่ได้มีอยู่จริงจะป้องกันการเกิดขึ้นของความคิดว่าเขามีอยู่และนั่นมันก็ผิดพลาดเช่นกันดังนั้นด้วยการวิเคราะห์เช่นนี้จะไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่โดยปราศจากเหตุหรือมีอยู่แล้วในตัวเหตุปัจจัยของมันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเดี่ยวหรือปัจจัยรวม ไม่มีอะไรที่เกิดมาจากสิ่งอื่นเดียวๆไม่มีอะไรคงอยู่และไม่มีอะไรจากไปแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างมายากับสิ่งที่เข้าใจโดยผู้เขาว่ามันจริงลองตรวจสอบนี่สิ่งที่สร้างโดยมายาและสิ่งที่สร้างโดยเหตุมันมาจากไหนและมันจะไปไหน แล้วสิ่งที่สร้างขึ้นมามันจะมีอยู่จริงแท้ได้อย่างไรเช่นภาพสะท้อนซึ่งรับรู้ได้เพียงเมื่อเกิดร่วมกับสิ่งอื่นและไม่สามารถมีได้หากสิ่งอื่นไม่มีสำหรับสิ่งที่มีอยู่แล้วเหตุจะมีความจำเป็นอันใดหากสำหรับสิ่งที่มิได้มีอยู่แล้วอะไรคือความจำเป็นของเหตุ บางสิ่งที่มีได้มีอยู่มันย่อมไม่เป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีเหตุนับล้านแล้วบางสิ่งในสถานะเช่นนั้นจะมีอยู่ได้อย่างไรแล้วอะไรอีกที่จะมาดำรงอยู่จริงหากมันไม่มีสิ่งที่มีอยู่จริงณนะเวลาของการไม่ดำรงอยู่แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่มีอยู่จริงจะมาดำรงอยู่ได้เพราะสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงจะไม่หายไปไหนปรับเท่าที่สิ่งที่มีอยู่จริงไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ่งที่มีได้มีอยู่มิได้หายไปไหนมันย่อมไม่มีโอกาสสำหรับสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงจะไม่กลายเป็น สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนื่องเพราะมันย่อมไม่มีสองธรรมชาติในสิ่งเดียวกันดังนั้นมันจึงไม่มีทั้งการดับและการเกิดขึ้นของสิ่งใดณนะเวลาใดด้วยเหตุนี้โลกทั้งใบจึงไม่ได้เกิดขึ้นหรือดับไปสถานะแห่งการดำรงอยู่ ล้วนเป็นดังเช่นความฝันด้วยการวิเคราะห์ให้ดีมันก็เหมือนกับต้นกล้วยในความเป็นจริงมันไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่บรรลุถึงซึ่งนิพพานและผู้ที่ไม่ได้บรรลุเมื่อปรากฏการทั้งหลายล้วนว่างเปล่าเช่นนี้แล้วจะมีอะไรได้จะมีอะไรเสียใครจะได้รับ การสรรเสริญหรือดูถูกโดยใครความสุขและความทุกข์จะมาจากไหนอะไรคือสิ่งน่ายินดีอะไรคือสิ่งไม่น่ายินดีและเมื่อเราสืบค้นเข้าไปในธรรมชาติของมันอะไรคือตัณหาและมันมีเพื่ออะไรด้วยการสืบค้นนี้ อะไรคือโลกของสรรพสัตว์แล้วใครที่ตายจริงๆที่นี่ใครจะมาอยู่จริงใครที่ได้มาอยู่จริงแล้วใครคือญาติและใครคือเพื่อนของใครขอให้ผู้ที่เหมือนกับฉันทาความเข้าใจแจ้งในทุกๆสิ่งว่าเป็นดังเช่นความว่างเปล่าพวกเขา จะคลั่งไคล้และยินดีด้วยหนทางของการโต้แย้งและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติการแสวงหาแต่ความสุขใส่ตนด้วยการกระทำบาปอากุศลพวกเขาย่อมมีชีวิตอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานยุ่งยากท้อแท้และเบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันหลังจากที่ได้เวียนกลับมาเกิด ในสุขติภพจนคุ้นเคยกับความพอใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาจะตายและตกลงไปสู่ทุกขติภพอีกอันเต็มไปด้วยความทุกขทรมานแสนสาหัสอันยาวนานชีวิตในโลกเต็มไปด้วยหลุมพรางมากมายและก็ไม่ได้มีความจริงแท้อะไรในนั้นซึ่งมันต่างเข้ากันไม่ได้ ความเป็นจริงย่อมไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นมหาสมุทรแห่งความทุกข์ความรุนแรงอันไร้ขอบเขตและหาสิ่งเปรียบไม่ได้ที่นั่นความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนและช่วงชีวิตก็สั้นในการปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพดีและมีอายุยืนยาวในเรื่องความหิวความอ่อนล้า และความเหน็ดเหนื่อยในการหลับนอนและในภัยพิบัติและในการเกี่ยวข้องกับผู้โง่เคลาที่ไร้าสาระชีวิตจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและไร้ประโยชน์การพิจารณาแยกแยะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแล้วมันมีทางที่จะป้องกันความวันไหวของใจในชีวิตประจําวันได้อย่างไร ที่นั่นอีกเช่นกันมานจะเฝ้าพยายามที่จะผลักไสให้พวกเขาลงไปสู่อบายภูมิที่นั่นเพราะมันมากมายไปด้วยหนทางที่ผิดความสับสนสงสยัยจึงเป็นสิ่งยากที่จะเอาชนะเวลาว่างเป็นสิ่งที่หายากการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้ายิ่งยากแสนเข็ญ กระแสน้ำแห่งกิเลส ต, ตันหาเป็นสิ่งที่ยากจะขวางกัน้นโอ้ความสืบเนื่องของความทุกข์ทำไมมันช่างมากมายเช่นนี้มันช่างน่าสงสารผู้ที่ลอยไปในกระแสแห่งความทุกข์อย่างยิ่งแต่แม้ว่าเขาจะทุกข์ยากเช่นนี้พวกเขากลับมิได้รู้เลยแม้แต่น้อย ถึงสถานการณ์อันทุกยากเหล่านั้นเช่นเดียวกับผู้ที่ชำระล้างตนอย่างดีแต่ก็ต้องลุยกองไฟซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาหลงคิดว่าตนโชคดีถึงแม้มันจะทุกยากแสนสาหัสด้วยการอยู่เช่นนี้แซงทำราวกับว่าตนจะไม่แก่ไม่ตายแต่แล้วความตายก็ต้องมาถึง และนำตัวพวกเขาไปสู่นรกอันสุดแสนจะทุกข์ทรมานเมื่อใดหนอที่ฉันจะได้นำความสุขสงบมาสู่ผู้ที่ต้องทนทรมานเพราะไฟแห่งความทุกข์โดยสายฝนแห่งความสุขที่โปรยปลายลงมาจากหมู่เมฆแห่งบุญบารมีของฉันเมื่อใดหนอ ที่ฉันจะได้แนะนำสั่งสอนผู้อื่นด้วยความเคารพในเรื่องสุญยตาและการสร้างสมบูรณ์บารมีในทางสมมุติแก่ผู้ที่ต้องการมัน